ท่านสาธุท่านหลายตอนนี้ก็ 4 ของ 20 ก่อนนี้จะมาวัดท่าสูงขอย้อนไปอยู่วัดสะพานก่อนวัด ตอนนี้เจ้า 3 ครั้งคือนิมนต์ที่บ้านนายจันทร์ที่ตำบลท่าทรงครั้งหนึ่งมาฉันเพลที่นั่นแล้วก็ไปนิมนต์ ื้อขึ้นมาใหม่ก็ต้องสร้างใหม่ก็แล้วกันนะมันพังไปหมดแล้วแล้วก็ท่านก็มาปักปลอต <c oughs> สร้างให้เจริญรุ่งเรืองมาแล้ว 2 สมัยคือสมัยพระเจ้าสัมพยากับสมัยของพระนารายณ์มหาราชเวลานั้นวจีรรุ่งเรืองมากแต่ว่าเป็นไม้มันก็ไม่ ตามที่เห็นปัจจุบันนี้ก็เป็นอันว่าวันนี้วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 102534 ตามที่เห็นอยู่นี้ทราบตามภาพที่เห็นก็ นอกเหนือเจ้าพุทธศาสนามีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้า ตั้งองค์ตั้งก็คือบอกว่าจะช่วยจะทําให้เจริญรุ่งเรืองให้ได้ตามภาพนี้ก็เป็นว่ารับฟังกราบคําท่านมาที่สุดอยู่ 2 ทั้งวันเจ้าว่าก็ นี่ก็ตั้งอยู่หลายคนเค้าเค้าก็ทราบกันประดิษฐ์ขอย้อนมากลับว่าสะพานใหม่ที่ว่าสะพาน ค่อยมา 20 สตางค์วันหนึ่งได้ประมาณ 800 นึงบ้าง 1,000 นึงบ้าง 2,000 มั้งก็มีรู้สึก ผมมีคาถาจะรักษาแต่คาถารักษาผมๆอย่างท่านสําเภาเนี่ย จะเป็นว่าคาถานี้ถาต่อมา ว่าธาตุจะเราจะเอาจริงๆนะให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ด้วยนึกถึงพระญาติย่อมด้วยก็ ทันนั้นดาวอกสิทธิ์จึงต้องโดดทะลึ่งโผดโผดขึ้นมา 5 ดอกบอกพุทธญาติโยมอาตมาก็นึก อาการทุกข์เวทนาของท่านก็หยุดท่านนอนสงบอาตมาให้นอนอย่างนั้นเป่านึกๆประมาณสักครึ่งชั่วโมงเห็นท่าน คือไม่ได้เป่าในโพดโพดนั้นนึกใน ก็งั้นด้วยเลยค่ะท่านก็เลยบอกท่านบอก 3 นาทีเพลงครับท่านก็เลยบอกว่าคงขอลานะครับถ้าเป็นโคลาพอเสียงปี่ ไข้เขาป่วยไข้ไม่สบายไม่สบายมีทุกขเวทนามากให้จุดธูป 1 เล่มมีดอกไม้ก็ใช้ด้วยถ้าไม่มีธูปไม่มีเทียนไม่มีดอกไม้ก็ไม่เป็น มันจะใจตั้งทางด้านฤทธิ์ศาลของเค้านึกว่า เพราะว่าคาถาเสวิบทหนึ่งนั้นคือคาถากอบวิสสะคนเป็นโรคไม่สบายกอบทิ้งหายน่าชิดายแต่ว่าคาถาบทนั้นมีค่า ยอมรับต้องถือว่าญาติ <c oughs> คณะเจ้าว่านลงไปกันเต็มโทธายกทายการก็ไปกันเต็ม เป็นความจริงเมื่อขึ้นมาอยู่ที่วัดนี้มีสุนัขอยู่แค่เปเป 2 ทางวัดก็เป็นอาบัติได้เข้าๆถังใส่ 1 วัน พอแค่มันมีชีวิตอยู่นอกจากนั้นเอาไปบ้านให้ ยาวก็ไม่เกิน 10 กว่าว่าเสาที่ตั้งอยู่แล้วทั้งหมดที่ ก็มีการนิรายทุกปีนิรายเพื่อจะสร้างหอ คนมหาถ้าจะอยู่ที่วัดว่าเรื่องการเงิน 8 ปีไม่เห็นมีอะไรแปลกขึ้นมาเลยมัน ภูติที่หลังดีที่สุดก็มีอุติจาวาสหลังเดียวนอกนั้นก็ฟ้าโพร่งหมดคนเดินไปเดินมาและอยู่ข้างในไม่ต้องเปิดตาต่างมองเห็นเพราะฟ้ามันโพร่งนก ฝาไม่มีไม่มีต้องให้สรรพนินสมควรนี่ตามมาด้วย ไอ้ไมโครของหน้าตานั่นแหละที่ 2511 พอ องค์กัตติกาพระเนียงเวลานั้นยังเป็นพลกัตตรีเจ้ากรมยุทธการมาทอดกฐินเป็นหนี้เค้าบาทเศษทอด <c oughs> หนี้เหมือนบาทเอาเงิน 4,000 บาทไปให้ 2,000 ให้หาเองเพราะแกไม่ทํา เขาบอกว่าผมไม่ถามเจ้าอาวาสแล้วว่าไม่มีสตางค์ถ้าจะมีก็ต้องดืน 4 พวกเอ้าเมื่อวานดิฉันให้ไป 4,000 มาตอนยินวานนี่เองนะเขาบอกบอกถามนะครับว่าไม่มีสตางค์แน่ก็เป็นนว่าเงินถูกก็ยืมไปแล้วมีมีคนหนึ่งก็ไม่ขอออกนามท่านบอกว่าแท่งขอ ก็ถามว่าทําไมจึงทราบว่าผมทราบปฏิวัตรทางของท่านองค์นี้ดีก็พวกของเขาดีมากเรื่องการเงินนี่ถ้ามันไม่สูญตาลถ้าจะผมว่าแล้วก็วัดจะนานแล้วครับเพราะการเลื่อยไหลทุกปีได้ปริ่ม แต่ว่าช่างนี่มาช่วยก็แสนดีวันครึ่งหนึ่ง 2-3 2-3 คราวยังไม่เสร็จเลยมงกุฎหน้าต่างใครที่เราหาเลี้ยงมันแพงกว่าแพงกว่าที่จะจ้างเข้ามาประจําก็ แหมนายก็ต้องเป็นหนี้เขาหลังจากนั้นมาก็ได้จะกรมชนเจ้าสี แล้วว่าทางวัด แต่เงินค่าเท่ากับหินก็ให้เจ้าเจ้านี้มันมารอรับรับเงินเจอกับ อะไรที่เราเลี้ยงเขาก็ไม่เหมือนพระตาคารก็ถิ่นจริงๆก็มาจากกรุงเทพฯมาจาก โยมชมพูงโยมน้อยแล้วก็โยมอะไร ที่คนประจําก็บางวันก็มีคนอื่น 1 วันก็ ถามว่าโยมปวดมั้ยก็บอก บอกว่าวันพรุ่งนี้อาตมาต้องไปกรุงเทพฯนะอาตมาไม่อยู่เพราะว่าจะต้องไปสอนกรรมฐานที่บ้านซอยสายลม ก็ปรากฏภาพโยมน้อยเห็นเป็นขบวนใหญ่นั่งรถเพชรรถแก้วอ่ะ ภาพนี้เราไม่ได้สร้างขึ้นแล้วไม่เคยคิดได้เสียงหน้าเสียงโยมน้อยจะรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนแล้วสวยมากก็เลยนึกในใจถามว่าชื่อน้อยใช่มั้ยบอกใช่เจ้าค่ะที่เป็นมะเร็งท่านเยี่ยมบาร์นี้วันนี้ไป พอกลับมาวัดก็ทราบข่าวว่าโยมน้อยตายคืนนั้นจริงๆเวลานั้นเป็นเวลา แล้วต่อมารุ่น 2 ทั้งมันก็ประกฏว่าเด็กเค้าสาว คนที่เป็นกําลังใหญ่อาตมาในสมัยที่ยังอยู่วัดท่าสูงต่อ 2 ท่านก็มาบวชที่นี่ก็มาช่วยไว้มากแล้วต่อมาก็หลังจากนั้นก็ได้อาศัยทุกๆคนช่วยกันหลังจาก กระท่อมหลังนั้นไปตั้งไว้ที่กลางศาเจ้าอาวาสเจ้าอาวาส มันได้เดินกําไลกันเปิดเพลงเสียงเจ้าเจ้าดังโจ๊กๆแกร่งด้วยการทั้งปวงทั้งทายกท่านเจ้าอาวาสพร้อมๆกันจะหาทางทุกอย่างทุกเรื่องมีพวกมีคนเป็นกลุ่มเค้าเรียกกลุ่มๆใหญ่น loan รู้สึกก็เป็นมากในตอนต้นแต่ว่าที่ทรงตัวอยู่ได้อย่างนี้ ต้องเชื่อต้องต้องเชื่อท่านจริงๆ เขียนว่าแพร่บทน้ําทางกาลจริงไม่ได้ใช้เป็นโบทบทเค้ามีแล้วต้องการให้มีเรื่องถ้ามีเรื่องจะ แล้วน้อยที่สุดเป็นว่าเจ้าว้ายก็ศึก สมเด็จโพธาจารย์องค์ปัจจุบันท่านบอกว่าไอ้ผมตำแหน่งผมก็เลยมัน เรานั่งหงายอยู่อยู่เฉงเวทไปคุยกับสมเด็จว่าผมเอ้าด้วยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันรอพรุ่งก่อนแล้วก็ บอกว่าเวลานี้เขาไม่ใช้ธรรมวินัยหรอกครับถ้าโกงผมเข้ามามาไล่ผมก็ต้องสู้คติของผมมันคนสู้โคตรจนแล้วท่านบอกว่ารอผมก่อนต่อมาไม่ช้าท่านก็ส่งพระมา 3 องค์คือ แล้วลาตานนโสพลพระพระสังเวชรองหลวงพรากขึ้นมาขึ้นมาครั้งแรกอาตมาไปที่นัดเจ้า แม้ไม่ไม่ตกลงก็ต้องกลับไปวัดสัมปยาอีกไม่กี่วันหลวงพ่อวัดสัมปยาก็ส่งคนมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ตกลงก็เป็น ตระหนักตันกําลังไม่ใช่ทรงไปเป็นล้านเป็นโกรธไม่ใช่อย่าง วันหมดเวลาแล้วขอลาสวัสดี